เรื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งของในมั่นช่างหล่อพระซึ่งมักจะมีอะไรแปลกๆมาเล่าสู่สโมสรวิญญาณแห่งวัดประคังของพวกเราซึ่งมีพระอาจารย์นบผู้เชี่ยวชาญเป็นประธานผมได้รับการนัดหมายจากคุณสมัยให้มาพร้อมกันที่กุฏิคุณนบพระอาจารย์ของพวกเราด้วยว่าในมั่นของเราเนี่ยเขามีอะไรดีๆมาอีกแล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักผมคงจะชอบแล้วก็ถูกใจจึงได้นัดหมายให้มาพบกับใครสักคนที่เป็นญาติของในมั่น วันนั้นเป็นวันอาทิตย์เหมาะแก่การประชุมของพวกเราและเวลาที่พบกันก็เป็นเวลาเลยเที่ยงวันไปแล้วผมเห็นชาวสมสรของเราครบชุดแต่ว่ามีคนแปลกหน้ามาอีกคนหนึ่งคือแม่ชีอายุร า, ราวๆ60กว่าปีเกือบเกือบ70ปีก็ทราบว่าผู้ที่นำเรื่องวิญญาณมาสู่สำนักเราเนี่ยก็คือแม่ชีนั่นเองเอาล่ะครับแม่ชีผู้ที่อยากฟังเรื่องของแม่ชีก็มาและเห็นจะเดินเรื่องได้เลยในมั่น เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมขึ้นโดยตั้งตัวเป็นเลขาที่การสมาคมต่อหน้าสมาชิกและคุนนกผู้เป็นประธานอยู่ณที่นั้นแม่ชีผู้ใหม่ต่อสโมสรของพวกเรามองดูผมแล้วก็ยิ้มน้อยๆเรื่องที่ฉันมาวันนี้ก็เท่ากับว่ามาขอให้ทุกท่านช่วยกันปลดความหนักอกหนักใจจากอีชั้นผู้เป็นชี ผูกควรแต่จะเล่าบนแต่ทางธรรมไม่ควรมีอะไรนอกเหนือไปจากกิจธรรมแล้วก็ไม่ควรมีอะไรมาสมอกสมใจอยู่แม่ชีพูดแล้วก็มองหน้าพวกเราทุกคนแม่ชีผู้นี้แม้จะทราบอยู่แล้วว่าเป็นคนชนบทแต่ว่าการพูดจาอะไรทุกคำแจมแจ้งมีจังหวะดีไม่แพ้คนกรุงเทพอิชันเนี่ยมันเป็นคนอยุทยาแต่ว่าก็อยู่ชานเมืองออกไปบ้านเกิดก็คือตบาบลไผ่ลิง แต่ว่าเวลานี่ก็บวชชีอยู่ที่วัดพระญาศตํตาบลไผ่ลิงเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้ฟังคล้ายกับว่าเป็นความทุกข์นะที่จริงมันเป็นเรื่องของความหนักใจสําหรับแม่ชีไม่ถึงเหมาะจะมาบรรทุกเอาไว้ในอกหรอกนะเพราะว่าเรื่องของเรื่องมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นหากแต่ว่าบาังเอิญไปพบเห็นเข้ายัางไม่รู้ตัวมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ฟังใจจนไม่รู้จะปลดปลิดอย่างไรได้ก็เลยมาขอให้ท่านทั้งหลายนี่ช่วยด้วยแม่ชีว่า เอาเถิดคุณนบว่าว่าไปเลยเราจะมีทางไหนที่ช่วยกันได้จะได้รู้กันไปคืออย่างนี้เจ้าค่ะเล่าเรื่องเลยก็เล่ากันตอนที่ฉันมาบวชใหม่ๆวันหนึ่งที่ฉันมีธุระเข้าไปในเมืองไปที่ร้านขายอาหารร้านหนึ่งฉันก็ชอบพอกันกับเมียเท่าแก่ร้านนั้นมากพอดีไปพบกับทิดอูคนบ้านไผ่ลิงด้วยกันอุ้มลูกหญิงเล็กๆคนหนึ่งขัไปในร้าน หน้าตาทิดอูเนี่ยมันมีลักษณะโศกเศร้าอยู่อย่างมากทั้งร่างกายก็พายพร้อมด้วยโรคภยัยอุ้มนั่งรุงรังลูกน้อยขี้มูกราขี้ตากรังเดินซ่องแสงเข้ามาแล้วก็ถามเท่าแก่เจ้าของร้านบอกว่าแม่ชายเขาอยู่หรือเปล่าจะ๊ะทิดอูถามเสียงแหบเครือตัวเท่าแก่แล้วก็แม่เมียนผู้เป็นเมียเกิดหน้าตาเลอกลักทั้งลูกจางในร้านก็มีอาการอย่างเดียวกันเอ๊ะแม่เมียนร้องขึ้น แม่ชายไม่ได้มาทำงานหลายวันแล้วนี่จ้ะเอ๊ะยังไงกันล่ะจ้ะทิดอูหน้าพะงะจอยแม่มชายไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วจ้ะทิดอูอ้อมแอมหน้าตาก็บอกความสับสนเอา้าแล้วเข้าไปไหนกันละ่ะเถ้าแก่ถามอย่างแปลกใจไอ้ทิดอูก็มองหน้าเท่าแก่ตาเลยลอยฉันก็ไม่รู้ว่าเข้าไปไหนทิดอูว่าแล้วก็ก้มหน้ามองลูกน้อยที่ให้อาศัยนั่งบนโต๊ะที่ว่างๆแล้วก็พูดกับลูกว่า แม่เขาไม่อยู่แล้วลูกเอ้ยทิดอูพูดเสียงเครือฉันได้ยินกับหูแล้วก็เห็นกับตาในเหตุการณ์นั้นจริงอยู่ฉันรู้จักพวกนี้ดีเพราะว่าอยู่ตำบลเดียวกันหากแต่ว่าฉันไปบวชชีซะอาศัยอยู่ที่วัดที่ห่างบ้านไปเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนั้นว่าแม่ช้ไปทํางานที่นั่นแล้วก็ไม่ได้ไปทํามาหลายวันแล้ว แต่เรื่องก็เป็นไปว่าแม่ช้ายเนี่ยไม่ได้กลับบ้านอีกด้วยทิ้งผัวที่เจ็บๆไขๆแล้วก็ลูกน้อยไว้จนผัวต้องฝืนสังขารมาตามแต่ก็ไม่พบตัวทิดอูไม่พบเมียก็บอกลาเจ้ า, จาของร้านทั้งสองคนแล้วก็ยกมือไหว้ฉันด้วยในฐานรู้จักกันดีลาแล้วก็ก้มอุ้มลูกจากโต๊ะใส่เอวก็เลยล้มลงไปทั้งพ่อทั้งลูกพวกทั้งหมดก็ตกใจเธอแก่ก็รีบประคองเด็กน้อยที่ร้องไห้ แม่เมียนก็ช่วยปลอบโยนทิดอูค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็ยิ้มแหงๆเหมือนขอโทษในความพลาดพลัง้งพลางค่อยๆรับเอาลูกไปเข้ากับเอวแล้วก็ค่อยๆก้าวออกจากร้านไปทางท่าเรือฮเฮ้อเหลือจะสงสัยใจฉันก็เลยถามแม่เมียนว่าแม่ชายหนีมาทำงานที่นี่เนี่ยทำงานอะไรแม่เมียนก็บอกว่าแม่ฉายมาขอความกรุณาให้เขาจ้างซักเสื้อผ้าแล้วก็ล้างชามเพราะว่ายากจน ไม่มีอันจะกินฉันก็เลยจ้างไว้แต่ก็เห็นมีคนหนุ่มๆแอบมาคุยอยู่บ่อยๆนะฉันก็ไม่ได้ห้ามอะไรเขาหรอกแล้วนี่ไงล่ะแม่ฉายมาหายไปจนผัวต้องมาอุ้มลูกตามไม่ชีเอ้ยนี่แหละค่ะเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้อีฉันเกิดไม่สบายใจขึ้นก็นเลยลาเจ้าของร้านกลับรีบเดินตามทิดอูไปทางท่าเรือจ้างเพราะอีฉันก็รู้ว่าเรื่องค่าเรือจ้างเนี่ยทิดอูคงไม่มีแน่ และนางเด็กน้อยนั่นกินอะไรแล้วหรือยังล่ะแม่ชายไปรับจ้างทำงานโดยใช้คำว่าไม่มีจะกินคำนี้ก็เป็นคำหนักอยู่แล้วที่ใครๆจะพูดได้ง่ายๆอย่างไม่อับอายฉันรู้จักฐานะผัวเมียคู่นี้ดีแม่ชายเนี่ยเป็นคนบ้านหันตราแต่ก็ยากจนพ่อแม่ตายกันหมดเกิดไม่ได้เสียกับทิดอูคนบ้านไผ่ลิง มีกระตอบอาศัยอยู่รับจ้างทำนาทำอะไรหลายหาอย่างเพราะว่าหมดผู้ใหญ่จะพึ่งพิงทั้งผัวทั้งเมียก็ยากจนเข็นใจพวกคุณคุณทั้งหลายจงทราบว่าคลองนี้ทั้งคลองก็อาศัยนาเท่านั้นและที่เป็นอาชีพจะทำอะไรทั้งอื่นอีกก็ไม่มีทางเพราะหน้าน้ำน้ำก็ท่วมเป็นทะเลจึงปลูกอะไรอื่นอีกไม่ได้เงินที่ได้มาเลี้ยงชีพจากนานั้นปีหนึ่งมันก็หนเดียวเท่านั้น พอพ้นหน้านาก็อดอดอยากๆกันไปที่ใครมีหลักดีก็พอเลี้ยงตัวกันไปที่ใครไม่มีหลักก็เสมือนคนใช้และเมื่อทิดอูลงเรือจางมากับฉันก็มีการถามสารทุกสุขดิบกันขึ้นทิดอูเล่า ว, ว่าเขาไม่สบายใจเจ็บเจ็บไขเมียเขาจึงได้ไปรับจางในเมืองส่วนเขาก็เลี้ยงลูกแทนคอยกินอาหารตามแต่เมียจะหามาให้กินได้แต่อยู่ เมียเขาก็เกิดมาหายไปก็เลยขอตามบ้านเขากินกับลูกกน้นหม้อก้นหายพอกินกันตายคิดว่าทางร้านที่แม่ชายไปรับจ้างเนี่ยคงมีงานพิเศษก็เลยยังไม่กลับแต่มีบางคนบอกว่าแม่ชายมันหนีตามหนุ่มอะไรไปซะแล้วจึงได้ไปถามที่ร้านนั่นดูก็เป็นจริงตามนั้นทิ้งลูกน้อยไว้ทั้งตัวทิดอูเองก็เจ็บๆแค่ายเข้าตารารซะแล้วพูดเล่าไปทิดอูมันก็ร้องไห้ไป ฉนเองแม่กําลังบวชเรียนอยู่แต่ความรู้แค ม, มีชีใหม่ๆก็ตั้งสติดับความเศร้าไม่ลงทั้งเกิดทุกร้อนไปกับเขาด้วยอย่างหนักเพราะฐานะของฉันเมื่อบวชชีก็ไม่รุ่งเรืองอย่างก่อนลูกหลานเขาเนี่ยเลี้ยงตัวได้ก็เลยหันหน้าเข้าวัดแต่ฉันยังพอมีอย่างแต่ก่อนนะก็จะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างดีแต่สมัยบวชนี่สิพอมีเฟื้องมีสลึงก็แบ่งไปให้ทิดอูเพื่อเลี้ยงลูกตาดำๆทิดอูก็มานะ ทั้งๆไม่แข็งแรงก็ออกรับจ้างเขาทำงานทุกชนิดฝากลูกไว้กับชาวบ้านบ้างแล้วก็มาฝากไว้กับฉันบ้างแต่ด้วยร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นานวันนานเดือนเขาทิดอู่ก็ล้มเจ็บลงจะทนนิ่งกระไรได้ผู้มองเห็นแล้วก็รู้ความทุกข์ของคนด้วยกันฉันก็พยายามหาอยู่หายามาให้นังหนูเนี่ยมันก็ยังเล็กมันชื่อรุ่งมันพูดได้มากแล้วแหละแต่ก็อยู่ในภาระของฉันทั้งหมดเป็นแม่ชีนะ เขพูดจาแบบชาวบ้านมาหาเลี้ยงคนไร้ญาตินะพ่อได้อยู่หรอกแต่ก็ไอ้ทิดอูเนี่ยเอาไว้มีอยู่เมื่อทิตดอูมันจะตายมันก็พูดอ้อแอ้อ้อแอ่ฝากลูกกับฉันแล้วมันก็เอามือกุมแขนลูกของมันพูดเบาจนเกือบจะไม่ได้ยินบอกว่าพอา่อลากรแล้วก็ขาดใจตายไปนี่แหละค่ะ แล้วอะไรอะไรมันก็เป็นเรื่องของชั้นหมดเผาศพเรียบร้อยแล้วเอานางตัวเปียกไปเลี้ยงที่กุฏิของชั้นท้ายโบสถ์ที่วัดพระยอดกระดูกของทิดอูชั้นก็แต่บรรจุไว้ใต่เจดีแถวๆนั่นเองเอ่าแล้วแม่ชีไม่ลําบากแย่หรอครับที่ต้องเลี้ยงเด็กเล็กๆไว้อะผมถามก็เป็นบ้างค่ะแต่ว่านางรุ่ง ม, มันก็รูกความแล้วละทั้งก็เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายก็เลี้ยงกันโตขึ้นมาโดยข้าววัดแล้ว แม่ของเด็กไม่ย้อนมาดูบ้างเหรอครับครูพยุงถามโอ้ยเปล่าเลยค่ะร้ายนั้นเดาว่าว่าเขานี้ไปมีผัวใหม่แล้วก็ไปอยู่เมืองอื่นแต่คุณทั้งหลายเอ้ยจ้ทิดอูเนี่ยเขามีจิตจดจ่ออยู่กับลูกวิญญาณยังคงลอยวนเวียนอยู่ไม่ห่างไปมาบ่อยๆเคยมานั่งใกล้ๆลูกเวลาลูกลงไปนั่งเล่นที่พื้นดินข่างโบดแต่พอฉันเห็นเข้าทิดอูก็ยกมือไหว้แล้วก็ทาตัวจางหายไปเอแลวเด็กไม่กลัวหรอ คุณสมัยถามอ๋อเด็กมันไม่เห็นหรอกค่ะเห็นแต่ดิฉันเท่านั้นแหละแม่ชีตอบวิญญาณพ่อก็คงห่วงลูกอะเนาะก็เลยมาวนเวียนอยู่บ่อยๆคุณสมัยพูดอย่างจะถามเอาความจริงถูกแล้วคุณนบตอบแทนแม่ชีเพียงสั้นๆห่วงนะห่วงแน่ค่ะเวียนมาเสมอ จนแมรุง่งโตเป็นสาวเดี๋ยวนี้ยิงเป็นสาวขึ้นมัดจะมีหนุ่มๆ ม, มาเมียงมองทิดอูดูท่าทางจะหวงหมักชักจะมาบ่อยขึ้นอืมเขาก็คงกลัวลูกสาวจะรักใครเข้าละมั้งผมถามอย่างออกความเห็นไปในตัวเแม่ชีครับเน่ยอูไม่เคยหลอกพวกหนุ่มๆ น, นั้นบ้างเหรอครับเอาสิคะ่ะเอาบ้างทีเดียวแหละพวกหนุ่นมๆเหล่านั่นก็เคยร้องโวยวายกันไปบ้างฉันไม่เห็นหลอกได้ยินแต่เสียงเอะอะกัน แต่เรื่องของเจ้าพวกหนุ่มๆ น, น่ะฉันคอยระวังอยู่ทุกฝีก้าวก็เพราะว่ากลัวมันจะลําบากคราวหลังถ้าใครมาขอเป็นเรื่องเป็นราวก็จัดการให้กลัวแต่มันจะมาชิงเอาเปลาๆพอเสียแล้วก็ทิ้งขวางชะตาของมันก็จะเข้าแบบอยากแควนเหมือนพ่อแม่มันนั่นแหละคุณเอ้ยพวกคนบางนี่น่ะแม่จะมาสู่ข อ, อก็คงเกี่ยงเรื่องฐานะกันดูว่าคนเรานะ ไม่มีฐานะอะไรเลยมันก็ไม่มีราคาอะไรเหมือนกับแมวเหมือนกับหมาขอเปล่าๆขโมยอลอเปล่าๆแทบจะเหมือนกันไปหมดบ้างนี่นะ่ะตั้งแต่คลองกระบังแล้วก็คลองบางสแก่นดอุทัยนุ่นช่ได้ที่มีเมียสักคนหนึ่งจะดูว่าหญิงนั้นมีฐานะอะไรบ้างยังชั่วไม่มีอะไรเลยมีเพียงควายสักสองตัวก็ยังถือว่าพอมีราคาถ้ามีเชนั้นก็หมดราคาคน ไม่ชีพูดแล้วก็ถอนใจอย่างยาวอย่างปลงอนิจจังนี่แหลคะค่ะทิดอูผู้พอ่อจึงมีวิญญาณห่วงนักอืมน่าสงสารคุณนบผู้เป็นประธานในการประชุมหลุดปากออกมาครับน่าสงสารคนไม่มีอะไรติดตัวแม้จะมีความประพฤติดีเพียงใดก็ไม่มีค่าไม่มีราคาผมว่าถูกคะ่ะมีแต่ตัวก็ไม่มีราคาควายแท้ๆมันยังมีราคากว่าไม่ชีว่า ปะโถคุณสมัยร้องก็แต่งงานกับควายซะเป็นไงล่ะคุณสมัยแดกดันโดยว่ามีอารมณ์ขุ่นมัวเมื่อได้ฟังเรื่องถึงว่าสิในมันซึ่งไม่ได้พูดอะไรเลยสอดขึ้นบ้างนี่แหละคนทั้งหลายประวัติของพ่อแม่เจ้ารุ่งนะ่ะฉันไม่เคยเล่าบอกกับตัวมันเลยแต่ไม่รู้ว่าใครแอบไปเล่าให้มันฟังมันมาถามฉันตรงๆซึ่งๆหนะ้า ฉันเป็นผู้มีศีลอยู่จะพูดบิดเบียงก็ผิดศีลก็เลยต้องรับโดยตรงแล้วก็เล่าทุกๆอย่างให้เจ้าตัวผู้อยากรู้ทราบตลอดเรื่องแม่ชีว่าอ่าแล้วเจ้าตัวเขาว่ายังไงบ้างอะครับผมถามติดคำเลยจะว่ายังไงล่ะก็ร้องไห้ไปแม่ชีหัวเราะแค้นแขนความจริงมันก็เป็นดังนั้นเจ้าตัวพอรู้ความจริงก็เริมเป็นคนเศร้าโศกไปอิ่งรักแล้วก็สงสารพ่อมากขึ้น พอเย็นลงจะเที่ยวเก็บดอกไม้ไปวางไว้ที่องค์เจดีย์ที่ไว้กระดูกพ่อทุกเย็นนั่งกราบนั่งไหวแล้วก็ร้องไห้ฉันเองก็ได้แต่ปลอบโยนแล้วก็สอนว่าอย่าทำอะไรเหตุเป็นการถ่วงวิญญาณพ่อเขาจะได้หมดเวรหมดกรรมไปผุดไปเกิดแต่ว่าเจ้ารุ่งก็แอบทำเสมอวันหนึ่งใกล้เวลาโผลเพลแล้ว ฉันโปล่หน้าต่างกุฏิเห็นทิศอูพอดีเป็นภาพรางังงยืนดูลูกสาวที่กำลังกราบไหว้กระดูกและทิศอูก็ร้องไห้ฉันมองไม่ได้เลยใจหายหรีบเบือนหน้านี้ไม่ชีพูดแล้วก็ถอนหายใจยาวแล้วจะทํายังไงกันต่อไปอะครับในมั่นเริ่มต้นพูดแล้วก็ถามติดคําขึ้นมาก็นั่นนะสิฉันก็เลยมาหาพ่อมัน มาหารือว่าจะทำอย่างไรฉั้นเองก็บุกกับความยุ่งยากนี้มานานพอดูอีกอย่างนะพอมันนะชั้นเองก็บวชอยู่ทำไมจึงต้องมากังวลใจอยู่ไม่ได้ขาดแทนที่จะสงบจิตสงบใจอยู่ในทางธรรมทั้งเวลานี้ฉั้นเองก็ชราภาพมากแล้วบวชเป็นชีทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่มีติดตัวแม่แต่ชิ้นเดียวแต่ชั้นตายลงเจ้ารุงจะได้อะไรจากชั้นติดตัวไว้บ้างเล่า และมันจะอยู่กับใครมันตัวคนเดียวในโลกนี้มันจะเกาะวัดอยู่อย่างฉันได้เมื่อไรนี่แหละความกังวลข้อใหญ่ของฉันพ่อมันจึงชวนฉันมาระบายความยุ่งยากใจที่กุฏินี้เพื่อใครจะพอมีทางแก้ไขอย่างไรบ้างแล้วใครจะช่วยอะไรได้บ้างอะแล้วก็โดยทางใดว่าไปเลยนะคุณนบพูดเป็นการงานปะโถเรื่องเท่านี้ถ้าช่วยกันไม่ได้ก็อย่าถือว่าเป็นกลุ่มพวกเราเลย คุณสมัยพูดพล่ลงออกมาอืมจริงอย่างคุณสมัยพูดนะครับผมรีบสอดขึ้นคุณสมัยจะรับเอาเป็นลูกจ้างซักเสื้อผ้าก็ยังได้เลยส่วนทางผมเนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าสุธีเขาตัวคนเดียวเหมือนกันนะแล้วก็ยังเลี้ยงเด็กหญิงเอาไว้ในอกอีกด้วยคนหนึ่งผมจะพูดให้เขารับเข้าเป็นลูกจ้างได้อย่างแน่นอนแต่จะให้ดีแล้วก็คุณนพูดในมั่นแหละเหมาะกวเพื่อน เป็นญาติกับแม่ชีแล้วก็เป็นชาวอายุธยาด้วยกันเข้าใจกันดีทางพ่อสมัยของเราเนี่ยเวลานี้ยังนอนวัดอยู่เลยยังไม่ได้มีการจัดอะไรเป็นครอบเป็นครัวถ้าจะช่วยแม่รุ่งนะสมัยก็ต้องเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็จะเกิดห่วงอีกที่นั่นมีแต่พานโรงถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยุ่งไปอีกไม่ดีไปกว่าทางในมั่นแนะ่ในมั่ น, นยังมีทางอีกก็คือคุณนายเศรษฐีก็ยังชอบพอจะฝากต่อไปก็จะสบายดี อ, อจริงอย่างที่ท่านพูดนะขรับคุณสมัยพูดหรือคุณมั่นกลัวผีทิดอูคุณสมัยล้ออ๋อผมนะ่ะเรื่องผีพอทนได้แต่เมียผมยังไม่รู้จะกล้าหรือเปล่าผมจะพูดกับเขาให้เข้าใจนะเรื่องทิดอูนะ่ะพอจะจุดธูป บ, บอกกล่าวกันได้ถ้าจะมาเยี่ยมลูกก็ขอให้มาเฉยๆอย่าได้แสดงตัวเพราะว่าเราเนี่ยทาเพื่อช่วยเหลือกันจริงๆในมั่นรับรองอย่างแข็งแรงแม่ชียิ้มออกมาได้อย่างสบายใจ ที่ฉันจะให้เจรุ่งมาหน่ะฉันเองก็สุดจะคิดถึงแล้วก็อะไรอาวอนพระว่าิเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่ว่าวันข้างหน้าของเจรุงนั้นน่ะฉันห่วงมากกว่าฉันตายแล้วเจรุ่งจะพึ่งใครฉันจะตายอย่างตาไม่รับแม่ชีพูดยังเปิดอกแล้วก็ถอนใจยาวผมฟังเรื่องทั้งหมดแล้วก็กลุ้มใจแทนซึ่งมันเป็นความจริงแม่รุ่งเคยอยู่กับแม่ชีตั้งแต่เด็กไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานโดยแท้จริงก็เท่ากับแท้จริง การจากมาโดยทิ้งแม่ชีไว้แม่ชีก็จะว้าเหวเอาการน่าสงสารอย่างหนักเท่าที่จะยอมให้ห่างมาก็เพราะว่าห่วงวันข้างหน้าของแม่รุ่งเป็นส่วนใหญ่เกรงว่าแกตายไปแล้วแม่รุ่งจะซัดเซเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ขาดเจ้าของหรือไม่พวกเจ้าหนุ่มๆก็แอบมากระทําย่ายีเผื่อแม่ชีเผลออีกประการหนึ่งแม่ชีก็แก่มากแล้วแม่รุ่งจากไปแล้วใครจะปลนิบัติแม่ชีลูกหลานที่มีอยู่เขาก็มีภารกิจกันทั้งนั้น ไหนจะไม่ดีเท่าเม่รุ่งที่ยังคงอยู่ด้วยคุณไม่ชีพูดเรื่องนี้ให้เม่รุ่งฟังหรือเปล่าครับยังเลยค่ะไม่ชีตอบเออฮะถ้าเขาจะไม่ยอมจากมาล่ะในมั่นครางเขาเองก็คนมีหัวใจอะนะแต่คิดว่าคงไม่ร้ายเหมือนแม่เขาหรอกนะจะได้เห็นแก่ตัวทิ้งผู้มีพระคุณมาง่ายๆหมาแมวมันยังรักเจ้าของเรามาคิดกันข้อนี้บ้างก็จะดีนะอืมน่าคิดน่าคิด คุณนบว่าเราเองก็เผลอเอาแต่ใจตัวเองลืมคิดถึงใจเขาบ้างเรื่องนี้ถ้าเอาอย่างใจฉันเราก็ควรจะช่วยกันเป็นชั้นๆกันไปจะได้ขอให้แม่รุ่งเนี่ยมาอยู่ปรณิบัติแม่ชีไปก่อนเราทั้งหมดก็คอยดูแลการเคลื่อนไหวอยู่ทุกเวลาจนกว่าจะถึงเวลาที่ควรจะจากกันได้ ฉะนั้นพวกเราเวลานี้เรามีเงินกันคนละเฟื้องคนละสลึงก็เสียสละรวมกันมอบให้กับแม่ชีเพื่อที่จะเอาไว้ยังชีพแล้วก็ครองชีพบำรุงแม่รุ่งไปด้วยก็นเล่ากันแล้วก็การเสียสละนี้เนี่ยก็จะต้องทำทุกเดือนด้วยนะเท่าที่จะแบ่งปันกันไปได้ให้สมกับที่เป็นสโมสรของเราในมั่นก็ต้องไปเยี่ยมบ่อยๆแล้วก็ช่วยอธิบายกับแม่รุ่งว่าเรื่อ ง, องความรัก น, น, นั้นเนี่ยไม่ห้ามเลยว่าจะรักใครแต่ขอให้ระวังภัยอันจะเกิดจากเรื่องรักไว้ให้ดี เรื่องรักนั้นเนี่ยถ้าดีก็ดีทีเดียวถ้าผิดแล้วภายนั้นเกิดขึ้นใหญ่หลวงนักให้คิดถึงแม่ชีผู้มีพระคุณให้จงหนักเมื่อสิ้นแม่ชีเมื่อใดพวกเราจะรับมาอยู่กรุงเทพเหยาห่วงเรื่องวันข้างหน้าเลยอุ่นใจสเสเถะแต่ระหว่างนี้เนี่ยแม่ชีเท่านั้นที่ตัวแม่รุ่งจะต้องห่วงที่สุดอย่าให้ลำบากแก่ร่างกายได้คุณนพให้ความเห็นอย่างนุ่มนวลและก็เป็นกําลังใจสังเกตว่าแม่ชีพอใจมากยกมือไหว้คุณนพอย่างท่วมทน้น นี่คุณแม่ชีทิ้งแม่รุ่งไว้กับใครครับผมถามอย่างนึกห่วงขึ้นอ๋อมาด้วยค่ะมาพักอยู่บ้านพอมันไม่กล้าทิ้งไว้ที่วัดหรอกค่ะแม่ชีตอบผมถอนใจโล่งหมดห่วงไปรู้สึกเห็นใจแม่ชีแกที่สุดห่วงใ ย, ยไม่ทอดทิ้งไว้ไปไหนก็ไปด้วยกันเอาอย่างนี้กันเลยไ้ยพวกเราผมถามพวกอย่างห่วงใยแม่ชีกับแม่รุ่ง เราคิดรวมทุนกันเลยเดี๋ยวนี้เดือนหนึ่งจะช่วยแม่ชีได้เท่าไหร่ค่าอาหารแล้วก็หยูยาเออเอาละเอาละพ่อคุณคุยกับแม่ชีไปก่อนก็แล้วกันนะผมขอกลับบ้านไปประเดี๋ยวจะไปรับแม่รุ่งมาให้รู้จักพวกเราตามระเบียบเพราะว่าตัวเขาจะอยู่ในความอุปการะของพวกเราอยู่แล้วนับแต่นาทีนี้เป็นต้นไปในมั่นกล่าวมิทันใครจะกล่าวอะไรในมั่นก็รีบลงบันไดไปแล้วเราก็หันมาถามถึงความเป็นอยู่ของประชาชนในคลองกระดัง แล้วก็คลองบางสแก์จนถึงอุทัยเพื่อความรู้ใส่ใจไว้ความสำคัญของคลองนั่นก่อนหน้านี่แหละค่ะหัวใจสำคัญใครมีนามากๆก็สบายให้เขาเช่าทำบ้างทำเองบ้างถึงปีก็ได้เงินง่ายๆสบายๆแต่พวกไม่มีนาเองเช่านาเขาทำนะสิคะย่ำแย่เลยพอทําเสร็จเข้าก็มาเก็บค่านาไปเป็นข้าวเท่านั้นเกวียนเกวียนนึ่ง เหลื อ, อไว้กินเองบ้างทำพันบ้างแทบเอาตัวไม่รอดถ้าผู้ที่ไม่มีทุนรอนจะเช่านาเขาทำก็รับจ้างเขาทำหมดเงินแล้วก็กรอบไปตามๆกันเพราะว่าที่ดินที่เป็นรุ่มเนี่ยมันมีน้ำขังนานวันนานเดือนจะเอาดินไปปลูกอะไรอีกก็ไม่ได้พอน้ำมาก็ตายหมดก็เลยกล้มหน้ารอแต่งงานดำนาอย่างเดียว เคยทากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็ทำกันไปจะทําอย่างไรได้ล่ะคะครั้นคิดจะย้ายชีวิตไปเมืองอื่นไม่มีทุนจะไปอย่างไรได้แม่ฉีเล่าให้ฟังเอาแล้วค้าขายอื่นนอกจากนาล่ะครับพอมีบ้างไหมผมถามก็พอมีอยู่หรอกค่ะแต่จะเริญนได้ยากทาไมมีทุนร้อนมากๆเพราะว่าการทำอะไรก็ต้องลงทุนแต่ว่าการค้าขายนะสิมักเป็นเงินเชื่อรอคอยรับเงินเมื่อได้ค่าหน้าค่าข้าว ถ้าใครมีทุนมากพอก็ทดรองไปก็ทำได้ถ้ามีทุนน้อยทำก็ไม่ได้เพราะจะต้องลงทุนกันเกือบทุกวันแต่ว่าตั้งปีกว่าน่ะจะได้เงินยิ่งแม่ค้าตลาดเร่เนี่ยพายเรือกันทุกวันขายเชื่อรุ่งขึ้นซื้อของใส่เรือก็กต้องควกักกระเป๋าซื้อมันยากแท้ๆ้ายข น, ขนมอะไรทั้งนั้นสิ้นเนื้อประดาตัวกันไปหลายต่อหลายคน ผมฟังความจริงของคนบางนั้นคลองนั้นที่ดำรงชีพกันอยู่อย่างน่าใจหายคนจนก็ต้องอยู่กันแบบทนอยู่ไม่รู้จะไปไหนใครมีทางหลบเข้ากรุงเทพได้ก็มากันเลยที่อยู่ก็อยู่กันอย่างอดทนเช่านาทำก็ทำกันพอมีข้าวกินต่อลมหายใจไปวันวันนึงอนิจจาชาวนาไม่รู้ว่าเหตุใดทำให้ผมอยากไปดูวิถีชีวิตของคนที่นั่นจริงๆ เราคุยกันเผลอไปครู่เดียวในมั่นของเราก็กลับมาพาเด็กสาวเดินตามมาด้วยเมื่อขึ้นกุฏิกราบคุณ น, นบแล้วก็ไหว้พวกเราทุกคนแล้วก็คลานไปนั่งข้างแม่ชีนั่งหน้าเกอ้อเกไปตามนิสัยคนบ้านนอกแม่รุ่งเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาเรียบร้อยแต่ว่าเต็มไปด้วยแววตาเศร้า เมื่อรู้ประวัติของเขาด้วยแล้วก็ต้องสะเทือนใจไปด้วยจะเป็นผมคนเดียวหรืออย่างไรไม่ทราบที่มีจิตใจเป็นกังวลห่วงใยไม่รุ่งไปด้วยทั้งสงสารและเมตตาอย่างพูดไม่ถูกทําให้คิดไปว่าแม่ชีกลับไปเมื่อใดผมจะขอติดตามไปส่งด้วยจะนอนค้างที่วัดสักคืนรุ่งขึ้นจะกลับทําความรู้จักกันพอควรแล้วเราทั้งหมดก็ควักเงินเท่าที่มีติดกร ะ, ดะเป๋าออกมาแบ่งถวายแม่ชีด้วยความศรัทธารวมได้300ยกว่าบาท แล้วบอกว่าจะรวมส่งให้ทุกๆเดือนตามน้อยตามมากจะเป็นในมั่นไปส่งมอบหรือให้ผมไปก็ได้ทั้งนั้นต้องให้เป็นไปแน่นอนตามที่นัดหมายเห็นจะเรียนหนังสือจบแล้วสิครับผมถามค่ะก็เพียงป .4 ตามกฎของเขาห น, นแหละไม่ชีตอบผมนึกในใจก็ดีแล้วไม่คุณเอ้ยรู้แค่นั้นก็สมตัวสมฐานะแล้วในตาเศร้าๆของรุง่งมองมาพบคราวไรผมก็ใจหาย ผมจะมีกิริยาอะไรผิดไปบ้างก็หาทราบไม่ใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ทราบแต่ว่าใจผมเวลานั้นผิดปกติอย่างบอกไม่ถูกเกิดห่วงแล้วก็กังวลในไม่เด็กสาวคนนั้นจริงๆที่ผ่านมาเพราะมีข้อห้ามอยู่ในใจว่าถ้ายังเตี้ยอยู่อย่าได้พยายามอุ้มอะไรที่หนักเข้ามันจะแบนลงไปผมจึงไม่มีใจในเรื่องนี้แต่ว่าบัตรนี้มีอะไรหนอทาให้ใจผมเกิดกังวลขึ้น หรือจะเกิดจากว่าผมเห็นผู้หญิงแค่แม่รุ่งนี้มีฐานะพอสมที่ผมจะเมตตาเอาเป็นกังวลได้ฐานะเท่าๆกันไม่มีอะไรเกินกว่าผมเราได้จากกันที่วัดระคังนั่นเองแม่ชีจะไปค้างที่บ้านในมั่นก่อนในมั่นรู้ว่าผมจะตามไปส่งถึงอยุทยาก็เห็นใจผมก็เลยขอตามไปส่งเป็นเพื่อนอีกคนผมดีใจเหลือเกินจึงได้นัดหมายการเดินทางกันเป็นที่เรียบร้อย เราได้ขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงมาถึงสถานีอายุทยาเกือบห้าโมงเช้าจึงพาแม่ชีเข้าฉันจังหันเพลนที่ร้านหลังสถานีนั่นเองแม่ชีอิ่มแล้วผมกับนายมั่นกับแม่รุ่งก็กินอาหารกันผมกับนายมั่นดื่มเหล้าเพื่อฉลองการไปเยี่ยมถิ่นใหม่ที่ไม่เคยไปแดนนี้นายมั่นเพียงเคยผ่านเพราะว่าเขาเป็นคนอายุธยา พออิ่มกันดีแล้วเราทั้งหมดก็ขึ้นรถเมล์เล็กที่จอดอยู่หลังสถานีวิ่งย้อนถนนออกไปทางที่จะกลับกรุงเทพมาหน่อยนึงก็มีทางแยกเล็กๆเข้าสู่ตำบลไผ่ลิงและทุ่งบางสแกถนนที่ผ่านวัดพระยาตและวัดกระสังเราหยุดรถกันที่วัดพระยาตและเดินต่อตามถนนเล็กเข้าสู่ตัววัดเดินอ้อมข้างโบสถ์ไปกุฏิแม่ชีท้ายโบสถ์ซึ่งมีร่มไม้ครึม้มมีอยู่ 2- ส, สามกุฏิที่เป็นของแม่ชีอื่น แม่ชีของรุ่งนี้ได้ชี้ให้ผมแล้วก็ในมั่นดูพระเจดีองค์ที่ฝังกระดูกทิศอูวไว้ที่ฐานเจดีผมใจหายตรงนั้นหรือที่แม่รุ่งเคยนั่งร้องให้คิดถึงพ่อผู้อาพับเราได้ทำความรู้จักกับแม่ชีท่านอื่นโดยการแนะนำของแม่ชีเราพอสมควรแล้วผมกับในมั่นก็ขอตัวไปเดินเที่ยวเล่นที่หน้าวัด ในมั่นชวนผมไปกราบไหว้ภาพปั้นหลวงพ่อกลั่นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านบางนั้นและชาวบางอื่นๆของอยุธยาแล้วนั่งที่ศาลาดูเรือแพที่ผ่านไปผ่านมาในคลองหน้าวัดในมั่นเลยชวนผมนั่งเรือจ้างผ่านประตูน้ำที่วัดกระสังเลยเข้าคลองบางสแกอันจะไปสู่อำเภออุทัยในมั่นรู้จักกับผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งและก็แวะขึ้นคุยที่บ้านนั้นซื้อเหล้ามาดื่มกันอีกผู้ใหญ่บ้านนี้ได้ปิ้งปลาย่างตากแห้ง แล้วต้มน้ำทำต้มยำโฮกอือหอมเผากระเทียมเผาพริกแห้งเผาส้มมะขามเปียกปรุงใบกระเพราโรยสดสะโล่งคอนักก๋วยเตี๋ยวเรือกาแฟาเรือเรียกเข้ามาสนุกไปเลยตกลงก็เลยกินข้าวเย็นที่นั่นอย่างอิ่มเอมด้วยอาหารตามพื้นที่ของลูกทุ่งขากลับผู้ใหญ่เอาเรือมาส่งที่วัดแล้วก็ไปคุยกับแม่ชีโดยไม่ได้ขึ้นไปบนกุฏิให้ผิดกฎ เราคุยอยู่ห่างๆตามธรรมเนียมที่เป็นชายจะขึ้นไปบนกุฏิชีไม่ได้แม่ชีจะให้เราไปนอนที่บ้านลูกหลานใกล้ๆวัดนั้นแต่ว่าผมนอนคุยกับพระที่วัดแม่ชีก็เลยนําเราไปฝากให้พระที่นอนในกุฏิรุ่งขึ้นผมกับนายมั่นก็จัดการเลี้ยงพระเพนทั้งพวกแม่ชีด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็กาแฟโดยจวนเพนก็ได้นัดเรือเหล่านั้นมาคอยพร้อมกันได้ผู้ช่วยเดินถวายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กาแฟเช่นผู้ใหญ่บ้านนั้น และแม่รุง่งเลี้ยงทางด้านของแม่ชีรู้สึกว่าพระชอบอาหารอย่างนี้เป็นพิเศษเพราะไม่มีใครถวายเลยเมื่อผิดจากอาหารธรรมดาท่านก็ฉันได้มากบางองค์ฉันแทนข้าวไปเลยนับว่าเราได้บุญแปลกกว่าใครแม่ชีพูดกับเราว่าทำอย่างนี้แม่ขาก๋วยเตี๋ยวชอบใจที่ขายดีโดยได้เงินสดไปทำทุนรุ่งขึ้นอีก ความคิดเดิมของเราว่าจะกลับกรุงเทพเมื่อถวายอาหารเพลนแล้วแต่ผมขอค้างอีกคืนหนึ่งรุ่งขึ้นจะกลับแต่เช้าทีเดียวโดยรถไฟเที่ยวแรกความในใจผมนั้นรู้สึกว่าจะห่างจากแม่รุ่งลำบากซะแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยผมก็ผ่านการสังคมด้านผู้หญิงมามากหน้าและก็นานปีแต่ก็มีการตําหนิโน่นตําหนินี่เป็นส่วนมากรายไหนที่ดีล้วน จนผมตำหนิไม่ได้ก็หมดกำลังใจตัวเองโดยที่เขามีความรู้สูงกว่าอยู่บ้างมีฐานะสูงกว่าบ้างแต่กลับมาชอบคนบันนอกที่สวยเรียบเรียบอย่างธรรมชาติและมีอะไรๆเป็นหญิงธรรมดาเช่นเกรงชายทั้งมีประวัติสุดที่จะน่าสงสารผมก็เลยต้องใช้ความคิดมากสงสารมากห่วงใหญ่มากสำหรับหญิงอย่างแม่รุ่งที่มีฐานะเกือบๆจะเป็นสัตว์มากกว่าจะเป็นคนมีชีวิต มาได้ด้วยความเมตตาของผู้ทรงศีลแม่ตัวทิ้งไปตั้งแต่เด็กพ่อเป็นผู้ประครับประคองรุ่งมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ท, ทั้งทั้งที่ตัวเองก็เจ็บไข้และประการใหญ่คือไม่มีอันจะกินทั้งอาหารแล้วก็ยารักษาโรคก็ได้ไม่ชีเอื้อเฟื้อจนพ่อมาตายลงแล้วก็ตายอย่างตาหลับไม่ลงด้วยด้วยความเป็นห่วงรุ่งก็ได้แม่ชีเป็นผู้หอบหิ้วตามฐานะไม่ชีจนโตเป็นสาวรุ่งได้มีความกตัญญูในผู้มีคุณอย่างดี โดยการปฏิบัติกับแม่ชีหรือว่าเป็นการปรนิบัติแม่ชีอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยอยู่กุฏิแม่ชีอย่างพออกพอใจมีสุขตามสภาพไม่มีทะเยอทยานเห่อเหิมเพราะไม่มีจะเห่อมาแต่ไรจัดเป็นผู้รู้ตนดีรู้จักพอใจในตัวตามฐานะผมจึงเกิดรักรุ่งขึ้นโดยมีสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุแต่ความรักนี้ก็เป็นแต่ฝ่ายผมฝ่ายเดียว เพราะว่าทางฝ่ายรุ่งจะรักกับผมบ้างหรือเปล่าก็หาทราบไม่เพราะว่าเราพบกันน้อยมีเวลาพูดคุยกันน้อยมากทั้งผมเองก็ไม่ใช่เป็นหนุ่มรุ่นตะกอผมเป็นหนุ่มใหญ่เกินกว่ารุ่งรุ่งอาจจะไม่รักผมเลยก็ได้ซึ่งเป็นธรรมดาของคนสาวจะต้องเอาใจใส่กับหนุ่มรุ่นเดียวกันมากกว่าที่จะมาดูผมที่แก่กว่าแต่ก็มีอะไรทําให้จับสังเกตได้ว่ารุ่งมองสศพลผมบ่อยๆซึ่งธรรมดารุ่งไม่ค่อยมองใครเช่นนั้น แล้วก็ดวงตานั้นมีแววเศร้าน่าสงสารปนอยู่ด้วยคล้ายกับจะบอกอะไรกับผมด้วยแววตานั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างรุ่งไม่มีอะไรจะกล่าวแล้วก็ทําอะไรกับตัวเองได้แม้แต่จะชอบจะรักอะไรก็ตามฐานะของรุ่งเหมือนสัตว์เลี้ยงซึ่งอยู่ในบงการของผู้เลี้ยงจะให้กินให้นอนให้อยู่ที่ใดอย่างไหนก็ได้นุ่งอย่างไรห่มอย่างไรก็ได้แม่ชีเคยเล่าให้ฟังว่าเสื้อผ้าทุกตัวที่แม่ชีให้ไม่เคยได้ยิน ว่าพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้หรือว่าดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ลงเป็นเสื้อผ้าของแม่ชีให้รุ่งยินดีและก็ชอบทั้งนั้นสวมใส่ได้อย่างเต็มอกเต็มใจจึงจัดว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่คบกับผมอย่างฐานะคนรักได้เลี้ยงดูได้อย่างเชิดชูให้เป็นความสุขของรุ่งได้มีแปลกอยู่อย่างหนึ่งในขณะที่เดินเล่นอยู่ในวัดนั้นผมรู้สึกอุ่นใจไม่หงอยเหงาเคลียคล้ายกับจะมีใครสักคนเดินตามผมอยู่เสมอ ผมเฉลียวใจว่าผู้ที่ไม่มีตัวตนนั้นอาจจะเป็นพ่อของรุ่งตามคุ้มกันผมก็เป็นไปได้ที่ผมเองไม่เกิดความกลัวแต่ประการใดก็อาจจะเป็นเพราะว่าความเข่าผ่องของหัวใจผมความบริสุทธิ์ใจของผมผมไม่มีความเห็นแก่ตัวอย่างคนหนุ่มทั่ ว, วไปที่เอาแต่ใจในทางของความใคร ผมรักรุ่งด้วยหัวใจที่เขาวผ่องทั้งสงสารและก็เมตตาคิดอยู่ว่าทั้งๆผมกำลังนึกรักรุ่งอยู่อย่างนี้ถ้ารู้ว่ามีใครมารักรุ่งและรุ่งก็รักเขาแล้วเขารักรุ่งจริงๆประคับประคองให้รุ่งมีสุขทั้งกายและใจผมก็ยินดีจะสละรักของผมขอแต่ให้คนที่น่าสงสารของผมได้มีตัวมีตนอย่างมนุษย์ธรรมดาเท่านั้น และของอย่าให้เหมือนแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเมื่อเจ้าของทิ้งไปก็เกิดสัดเซหาที่พึ่งต่อไปคนสมัยนี้เชื่อใจกันยากกลัวจะไม่เมตตารุ่งอย่างลูกกำพร้าที่มีกรรมเขาจะเอาเพียงรุ่งบำเรอบำรุงให้เขาสำราญในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นในเย็นนั้นผมกับนมั่นไปหาร้านเหล้าได้แถวนั้นเป็นร้านเล็กๆริมคลองมีเหล้าโรงขายร้านแคบมากแม้แต่ที่จะนั่งกินในร้านก็ไม่มี เรานั่งกินกันชายคลองฟังเสียงปลาผุดปลาว่ายแล้วก็ลมพัดกิ่งไม้ยวบยาบดื่มเหล้าโรงกับกุ้งแห้งถั่วลิสงพอเล่าเข้าปากไปมากผมก็ทนความอัดอั้นในใจตัวเองไม่ไหวจึงได้สารภาพกับนายมัน่นถึงเรื่องรักเป็นงานเป็นการบอกกับเขาว่าผมรักรุ่งอย่างคนกัมพระทั้งเมตตาสงสารรักแม่ชีอย่างแม่ตัวและจะไม่ใช้ความรักอย่างบ้าคลั่งในทางเสียหาย แม่ชีจะมีอายุยืนยาวไปเท่าใดผมก็ทนคอยได้เพื่อรักษาน้ำใจของแม่ชีในมันเป็นผู้มีอายุกว่าผมย่อมผ่านประสบการมามากเมื่อผมสารภาพเรื่องรักอรุ่งแก่เขาไม่เห็นว่าเขาจะตกใจหรือแปลกใจเขายิ้มหน่อยนึงแล้วก็บอกว่ารู้แล้วรู้ตั้งแต่แรกแล้วเขาว่าผมมีหัวใจเป็นชายเลิศแต่มันจะเป็นไปอย่างที่ผมคิดนั้นไม่ได้แทนที่แม่ชีจะสบายใจจะกลายเป็นทุกข์ใจมีห่วงอยู่ตามเคย ถ้าแม่ชีได้เห็นกับตาว่าเด็กกัพร้าสุดรักสุดห่วงนั้นมีสุขแล้วแม่ชีถึงจะตายตาหลับอย่าลืมว่าแม่ชีคือผู้หญิงและผู้หญิงคนนี้จะเชื่อคำพูดของใครนั้นยากเพราะเป็นหญิงแก่เห็นโลกที่หลอกหลอนมามากถ้าแกยังไม่เชื่อความสุขจะมีได้อย่างไรเรื่องของคุณเนะ่ยขอให้ผมเป็นคนจัดการเองก็แล้วกันนมั่นพูดคุณจะกรุณาผมหลหครับผมถามอย่างดีใจถูกแล้วละ่ะ ผมเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองให้เรียบร้อยดีทั้งทางแม่ชีแล้วก็ทางคุณในมั่นพูดแล้วก็ตก บ, บาผมอย่างเป็นกันเองและรักใคร่ผมกราบขอบคุณด้วยครับผมขอให้แต่แม่รุ่งได้ผัวอย่างแน่นอนชนิดไม่ต้องกินน้ำตากันอีกแล้วก็ขอให้แม่ชีผู้ยอดมนุษย์เนี่ยได้มีความสุขแก่ใจก่อนจะสิ้นลมไปผมว่า ในมันเป็นคนคุ้นเคยแก่ชนบทนักเขาแอบกระซิบกับเจ้าของร้านให้หุงข้าวม้อเล็กๆไว้ให้กับเราแล้วก็มีกุ้งแห้งยำน้ําปลามะนาวทั้งปลาแห้งปิ้งอีกด้วยเราก็เลยกินกันอย่างง่ายๆที่ร้านเล็กๆนั้นจนอิ่มเมื่อจ่ายเงินจ่ายทองกันเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับวัดเวลาเย็นมากจนจะค่ําเราก็อาบน้ํากันผมอาบน้ําเสร็จก็นุ่งกางเกงแล้วก็เดินเล่นตามใต้ต้นไม้ครึ้มอย่างวนไปวนมาคิดอะไรต่อมีอะไรอยู่คนเดียว ในมันยังอาบน้ำไม่เสร็จผมมองไปที่หัวมุมโบสก็เห็นแม่รุ่งหักเลี้ยวตรงมาหาผมคุณย่าชีห่วงเรื่องอาหารของคุณทั้งสองค่ะคุณรุ่งพูดเบาๆผมหัวเราะแล้วก็ตอบอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกครับโถต้องให้ผู้ทรงศีลห่วงฉันกับในมั่นเนี่ยรับประทานมาแล้วที่ร้านทางนู้นมาที่นี่ลำบากเพราะว่าเป็นวัดไม่เหมือนที่บ้านรุ่งพูดพรุ่งนี้คุณก็คงจะกลับกันแล้ว รุ่งย้อนถามผมแล้วก็หยุดก้มหน้าไปนิดนึงฉันก็ไม่อยากกลับเลยนะเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยมันมีความสุขใจพี่ลึกแต่ก็จนใจเหลือเกินที่ต้องไปทำงานผมพูดด้วยความจริงใจรุ่งยิ้มแห้งๆพร้อมกับมองตาผมในดวงตานั้นบอกให้รู้ว่ารุ่งจะพูดอะไรให้ตรงกับใจนั้นไม่ได้ต้องทำใจตามแต่ฐานะของตนยิ้มนั้นช่างแห้งแล้งสะเทือนใจและตัวของผมเองก็เช่นกันเพิ่งจะรู้ ว่ารุ่งเองก็อะไรในการจากกันของผมในครั้งนี้รุ่งจะต้องเหงาเมื่ออยู่กุฏิกับแม่ชีแล้วก็ห่วงยายผู้มีคุณเหนือหัวอา น, นิจามนุษย์เอย๋ยมนุษย์มนุษย์ผู้ไม่มีราคาค่าตัวเลยในตําบลแล้วก็บางนี้เดี๋ยวฉันจะไปบอกคุณย่าชีว่าคุณทั้งสองรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วรุ่งบอกผมพร้อมกับยิ้มให้อีกแต่มันก็ไม่หวานไปได้คงเป็นยิ้มที่เหมือนจะร้องไห้ ผมยืนเสะเทือนใจมองดูรุ่งเดินจากไปอย่างช้าช้าและในบัตรนั้นเองใครก็ไม่รู้เป็นชายร่างผอมที่กำลังยืนมองดูรุ่งอย่างเดียวกันกันกบผมแต่ว่าเข้าหันหลังให้ผมผมตกใจเพราะว่าข่าวแรกไม่มีคนนี้อยู่ที่นั่นเลยเข้ามาจากไหนและเมื่อไหร่ผมยืนตะลึงตัวแข็งชายคนนั้นก้มหน้าเหมือนร้องไห้และเช็ดน้าตาและบัตรนั้นร่างของชายผู้นั้นก็จางหายไปกับตาของผมผมแทบเซลล้มหงายหลัง ก็พอดีในมัน่นขึ้นจากน้ำเดินมาหาผมแล้วก็ชวนผมไปคุยกับพระผมตามเข้าไปแบบเงียบๆในอากาศที่จวนจะมืดผมไม่ได้บอกในมั่นว่าเมื่อกี้ผมพบอะไรเข้าแล้วพูดไม่ออกหัวใจยังไม่หายเต้นได้แต่นึกในใจว่านั่นต้องเป็นพ่อของรุ่งในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นที่ยังคงค่อนข้างเช้าอยู่เราสั่งเรือมารับที่หน้าวัดแม่ชีเดินมาส่งพร้อมกับรุ่ง ผมกับนายมั่นร่ำลาไม่ชีกับรุ่งแล้วก็ลงเรือผมหันมองดูรุ่งที่นั่งอยู่ชายน้ำรุ่งยิ้มให้ผมตามระเบียบของคนที่รู้ว่าต่างมีจิตเมตตาต่อกันและกำลังจะจากไปยิ้มของรุ่งผมใจจะขาดยิ้มนั้นเหมือนกำลังจะร้องไห้แม่คุณเอ้ยผมเพิ่งจะรู้ว่ามนุษย์เรานี่ถ้าลงอีกฝ่ายหนึ่งมีใจจดจ่อกันรุนแรงกับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายนั้นจะมีความรู้สึกรู้เท่าถึงกันได้โดยไม่ต้องพูดอะไรสักคาเดียว รุ่งจะต้องรู้สึกว่าโลกที่กำลังอยู่นี้สำหรับรุ่งและมันแสนเข็นยากจะพบความเมตตาปราณีได้ง่ายๆจะมีก็แต่แม่ชีและก็พระในวัดเท่านั้นที่จะปราณีและวิญญาณของพ่ออีกคนที่จะปราณีนอกนั้นก็เท่ากับรุ่งถูกเขียนวงให้อยู่แล้วก็เลยวัดไปก็มองไม่เห็นใครอีกจะห่วงใยแล้วก็เห็นใจเมตตาปราณีแก่รุ่งผู้ยากไร้รุ่งเอ้ยรุ่งผู้น่าสงสารของฉันลาก่อนคราวนี้ ฉันจะมาอีกคราวหน้า